6. สุตตะวินยติสิกขาบท 49. ถามทรงบัญญัตินิสักยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ออกปากขอได้มาเองแล้วใช้ช่างหูกให้ทอจีวร น, นะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉัพพักขีถาม เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉพะคีออกปาขอได้มาเองแล้วใช้ช่างหูกให้ทอจีวรในสุตตะวินยติสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุทฐานหสมุดฐาน